พระตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มท <nada, mañana> ี <ten> ่ส <daylight> <th> ิบปายาสิราชัญญาสูตรสูตรว่าด้วยพระเจ้าปายาสิเหตุการณ์เกิดขึ้นในแคว้นโกสปรากุมารกัสปะพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณห้าร้อยรูปจาริกไปในแคว้นนั้นแวะพักณป่าไม้สีเสียดอันตั้งอยู่ทิศเหนือของเสตบพยนครสมัยนั้น พระเจ้าปายาสิซึ่งเป็นเพียงราชัญยะคือพระราชาที่ไม่ได้อภิเสกได้รับพระราชทานจากพระเจ้าประเสนที่โกศลให้ครอบครองเตสัพพยนครพระเจ้าปายาสิมีความเห็นผิดเกิดขึ้นว่าโลกอื่นไม่มีสัตว์เป็นโอปปาติกะคือเกิดใหญ่โตขึ้นทันทีเช่นเทพไม่มีผลของกรรมดีกรรมชั่วไม่มี เมื่อได้สดับกิติสัพอันงามของพระกุมารกัสปะพรามคาริหะบดีทั้งหลายก็พากันเดินทางไปหาเป็นกลุ่มๆพระเจ้าปลายาสิทอดพระเนตรเห็นเช่นนั้นตรัสถามทราบความก็เสด็จไปด้วยเมื่อผู้ที่ไปกล่าวสมมูธนียกกถาปราศัยตามสมควรแล้วพระเจ้าปลายาสิก็ประกาศทิฏฐิของพระองค์ดังกล่าวแล้วแก่พระเทระ ซึ่งจะยอ่อคําโต้ตอบเป็นข้อๆดังต่อไปนี้หนึ่งพระเทระถามว่าที่ทรงเห็นว่าโลกอื่นไม่มีเป็นต้นนั้นพระจันทร์พระอาทิตย์เป็นเทวดาหรือมนุษย์ในโลกนี้หรือโลกอื่นตรัสตอบว่าพระจันทร์พระอาทิตย์อยู่ในโลกอื่นไม่ใช่เทวดาหรือมนุษย์ในโลกนี้สองตรัสเล่า ว, ว่า มีมิตรอมาตยญาสาโลหิตของพระองค์ที่ประพฤติชั่วมีประการต่างๆเมื่อบุคคลเหล่านั้นเจ็บไข้ซึ่งพระองค์เห็นว่าจะไม่หายแน่ก็เสด็จไปหาแล้วสั่งว่าถ้าไปตกนรกเพราะประพฤติชั่วตามคำของสมณะพรามแล้วขอให้กลับมาบอกพวกเหล่านั้นรับคำแล้วก็ไม่มีใครมาบอกเลยพระองค์จึงไม่เชื่อว่าโลกอื่นมี พระเถระกล่าวว่าเปรียบเทียบโจรที่ทำผิดราชบุรุษจับได้ก็นำตระเวนไปสู่ที่ประหารชีวิตโจรเหล่านั้นจะขอผัดผ่อนให้ไปบอกพวกพ้องก่อนจะได้หรือไม่ตรัสตอบว่าไม่ได้พระเถระจึงกล่าวว่าพวกที่ทำชั่วก็เช่นกันถ้าไปตกนรกก็คงไม่ได้รับอนุญาตจากนายนิรยาบาลให้มาบอก 3. ตรัสเล่าว่าพระองค์เคยสั่งคนที่ทำความดีว่าถ้าตายได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์เพราะประพฤติดีตามคำของสมณพรามแล้วเขาให้กลับมาบอกพวกนั้นรับคำก็ไม่มีใครมาบอกเลยพระองค์จึงไม่เชื่อว่าโลกอื่นมีพระเทระถูนว่าเปรียบเหมือนคนตกลงไปในหลุมอุจจาระมิศสีษะ พระองค์สั่งให้ราชบุรุษ ช, ช่วยยกขึ้นจากหลุมนั้นเอาซี่ไม้ไผ่ปาดอุจระออกทำความสะอาดหมดจดแล้วนำพวงมาลัยเครื่องลูบไล้และผ้าที่มีราคาแพงมาให้นุ่งหม่มพาขึ้นสู่ปราสาทบำเรอด้วยกามรมคุณห้าบุรุษนั้นจะอยากลงไปอยู่ในหลุมอุจจาระอีกหรือไม่ตรัสตอบว่าไม่อยาก ถามว่าเพราะเหตุไรตรัสตอบว่าเพราะหลุมอุจจาระไม่สะอาดมีกลิ่นเหมน็นปฏิกูลพระเทระทูลว่ามนุษย์ก็เป็นผู้ไม่สะอาดมีกลิ่นเหมน็นปฏิกูลสำหรับเทวดาทั้งหลายพวกทำความดีที่ไปสู่สุคติโลกสวรรค์จะกลับมาบอกอย่างไรสี่ ตรัสเล่าว่าพระองค์เคยสั่งคนที่ทําความดีว่าสมณพราหมณ์บางพวกกล่าวว่าผู้ทําความดีจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ถึงความเป็นสหายของเทพชั้นดาวดึงเมื่อท่านทั้งหลายไปเกิดเช่นนั้นแล้วก็ให้กลับมาบอกด้วยพวกนั้นรับคําแล้วก็ไม่มีใครมาบอกเลยพระองค์จึงไม่เชื่อว่าโลกอื่นมีพระเถระทูลว่า ร้อยปีของมนุษย์เป็นคืนหนึ่งกับวันหนึ่งของเทพชั้นดาวดึงสามสิบราตรีเป็นหนึ่งเดือนสิบสองเดือนเป็นหนึ่งปีหนึ่งพันปีทิพย์เป็นประมาณแห่งอายุของเทพชั้นดาวดึงผู้ทำความดีที่ไปเกิดในที่นั้นคิดว่าอีกสักสองสามวันจะไปบอกพระเจ้าปยาสิพวกเขาจะมาบอกได้หรือไม่ตรัสตอบว่ามาไม่ได้ เพราะข้าพเจ้าคงตายไปนานแล้วแต่ก็ใครบอกแก่ท่านแล้วว่าเทพชั้นดาวดึงมีอายุยืนขนาดนั้นข้าพเจ้าไม่เชื่อเลยพระเทระทูลว่าเปรียบเหมือนคนที่เสียจักูุแต่กาเนิดมองไม่เห็นอะไรเลยจึงกล่าวว่าสีดำขาวเขียวเหลืองแดงแสดไม่มีคนที่เห็นสีเช่นนั้นก็ไม่มี ดวงดาวพระจันทร์พระอาทิตย์ไม่มีผู้เห็นดวงดาวพระจันทร์พระอาทิตย์ก็ไม่มีเพราะข้าพเจ้าไม่รู้ไม่เห็นสิ่งนั้นจึงไม่มีดังนี้ผู้นั้นจะชื่อว่ากล่าวชอบหรือไม่กราดตอบว่ากล่าวไม่ชอบพระเทระจึงทูลว่าพระองค์ที่ปฏิเสธเรื่องเทพชั้นดาวดึงก็เป็นเช่นนั้นสมณพราหมณ์บางพวก ที่เสพเสนาสนะป่าอันสงัดไม่ประมาททำความเพียรชำระทิพยจักสุมองเห็นโลกนี้โลกอื่นและสัตว์โอปปปาติกะด้วยจักสุอันเป็นทิพยเหนือจักสุของมนุษย์มีอยู่เรื่องของปรโลกพึงเห็นอย่างนี้ไม่พึงเข้าใจว่าจะเห็นได้ด้วยตาเนื้อนี้ 5. ตรัสเล่า ว, ว่า พระองค์เคยเห็นสมณพราหมณ์ที่มีศีลมีธรรมอันงามใครมีชีวิตไม่อยากตายใกล้ความสุขเกลียดทุกข์จึงทรงคิดว่าถ้าสมณพราหมณ์ผู้มีศีลมีธรรมอันงามเหล่านี้รู้ตัวว่าตายไปแล้วจะดีกว่าชาตินี้ก็ควรจะกินยาพิษเชืออคอตายปูกคอตายหรือโดดเหวตายแต่เพราะไม่รู้ว่าตายไปแล้วจะดีกว่าชาตินี้จึงรักชีวิต ไม่อยากตายใครความสุขเกลียดทุกข์ข้อนี้เป็นเหตุให้พระองค์ไม่ทรงเชื่อว่าโลกอื่นมีสัตว์ประเภทโอปปาติกะที่เกิดเติบโตขึ้นทันทีมีผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วมีพระเถระทูลเปรียบเทียบว่าพรามคนหนึ่งมีภริยาสองคนคนหนึ่งมีบุตรอายุสิบหรือส2สองปีอีกคนหนึ่งมีคันจวนคลอด พรามนั้นถึงแก่กรรมมานพผู้เป็นบุตรจึงพูดกับมารดาเลี้ยงว่าทรัพสมบัติทั้งปวงนี้ตกเป็นของข้าพเจ้าทั้งหมดของท่านไม่มีเลยขอท่านจงมอบความเป็นทายาทของบิดาแก่ข้าพเจ้านางพรมามณีผู้เป็นมารดาเลี้ยงตอบว่าเจ้าจงรอก่อนจนกว่าเราจะคลอดถ้าคลอดเป็นชายก็จะได้ส่วนแบ่งส่วนหนึ่งถ้าเป็นหญิง แม้น้องหญิงนั้นก็จะตกเป็นของเจ้าแต่มานพนั้นเศร้าสีอย่างเดิมแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามนางพรามณีจึงถือมีดเข้าไปในห้องผ่าท้องเพื่อจะรู้ว่าเด็กในท้องเป็นชายหรือหญิงเป็นการทำลายตัวเองทำลายชีวิตทำลายเด็กในครรภ์และทำลายทรัพสมบัติเพราะเป็นผู้เขลาสแสวงหาสมบัติโดยไม่แยบคาย ถึงถึงความพินาตสมณพราหมณ์ผู้มีศีลมีธรรมอันดีที่เป็นบัณฑิตย่อมไม่ชิงสุขก่อนสุขย่อมรอจนกว่าจะสุขสมณพราหมณ์เหล่านี้ดํารงชีวิตอยู่นานเพียงใดผู้อื่นก็ได้ประสบบุญมากเพียงนั้นและท่านก็ปฏิบัติเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย 6. ตรัดแย้งต่อไปว่าเคยตรัดสั่งให้ลงโทษโจรที่จับได้โดยให้ใส่ลงไปในหม้อทั้งเป็นปิดฝาและเอาหนังสดรัดเอาดินเหนียวที่เปียกยาให้แน่นยกขึ้นสู่เตาและจุดไฟเมื่อรู้ว่าผู้นั้นตายแล้วก็ให้ยกหม้อลงกระเทาะดินที่ยาออก เปิดป่าค่อยๆมองดูเพื่อจะได้เห็นชีวะของโจร น, นั้นออกไปก็ไม่เห็นเลยจึงทำให้ไม่เชื่อว่ามีโลกอื่นพระเถระทูลถามว่าทรงระลึกได้หรือไม่ว่าเคยบรรทมหลับกลางวันแล้วทรงฝันเห็นสวนป่าภูมิสถานและสระน้ำอันน่ารื่นรมหรือไม่ตรัสว่าระลึกได้ถามว่าในสมัยนั้น คนค่อมคนหรือเด็กๆ เ, เป้าพระองค์อยู่ใช่หรือไม่ตรัสตอบว่าใช่ถามว่าพวกเหล่านั้นเห็นชีวะของพระองค์เข้าออกหรือไม่ตรัสตอบว่าไม่เห็นพระเถระจึงทูลว่าคนมีชีวิตยังไม่เห็นชีวะของพระองค์ผู้สรงพระชนชีพอยู่เข้าออกเหตุไฉน พระองค์จะทรงเห็นชีวะของคนตายเข้าออกเล่า7ตรัสแย้งต่อไปว่าเคยตรัสสั่งให้ลงโทษโจรที่จับได้ให้ชั่งน้ําหนักดูเมื่อเป็นแล้วให้เอาเชือกรัดคอให้ตายแล้วชั่งดูอีกในขณะที่เป็นมีน้ําหนักเบาวกว่าอ่อนกว่าใช้การงานได้ดีกว่าเมื่อตายแล้วเหตุนี้จึงไม่ทรงเชื่อเรื่องโลกอื่น พระเถระทูลถามว่าพึงช่างก้อนเหล็กที่เผาไฟตลอดวันร้อนลุกโคลงกับก้อนเหล็กที่เย็นเทียบกันดูอย่างไหนจะเบาวกว่าอ่อนกว่าใช้การงานได้ดีกว่าตรัสตอบว่าก้อนเหล็กที่ประกอบกับธาตุไฟธาตุลมร้อนลุกโคลงเบาวกว่าอ่อนกว่าใช้งานได้ดีกว่าพระเถระทูลต่อไปว่า ร่างกายก็เหมือนกันประกอบด้วยอายุคือเครื่องสืบต่อหล่อเลี้ยงประกอบด้วยออุุนประกอบด้วยวิญญาณก็เบาวกว่าอ่อนกว่าใช้การงานได้ดีกว่าแตรัสแย้งต่อไปว่าเคยตรัสสั่งให้ลงโทษโจรที่จับได้ให้ฆ่าโดยไม่กระทบกระทั่งผิวหนังเนื้อเอนกระดูกเยื่อในกระดูก เพื่อจะดูชีวะออกไปจากร่างเมื่อเขาทำอย่างนั้นและเมื่อโจนนั้นจะตายแน่ก็สั่งจับให้นอนหงายเพื่อจะดูชีวะออกไปก็ไม่เห็นชีวะออกไปสั่งให้จับนอนตะแคงทีละข้างให้ยกขึ้นให้เอาศีรษะลงให้ใช้ฝ่ามือก้อนดินท่อนไม้สัตวาเคาะดูให้ดึงเข้าให้ผลักออกให้พลิกไปมา เพจะดูชีวะออกไปก็ไม่เห็นชีวะออกไปโจนนั้นมีตาหูจมูกลิ้นมีรูปเสียงกลิ่นรสโหดทพะแต่ก็ไม่รู้สึกอายตนะนั้นๆคือไม่รู้สึกเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องโหดทพะพระเถระทูลเปรียบเทียบถวายว่าเปรียบเหมือนคนเป่าสังเดินทางไปชนบทชายแดนแห่งหนึ่ง เป่าสังขึ้นสามครั้งแล้ววางสังไว้บนดินชาวบ้านได้ยินเสียงสังชอบใจก็พากันมารุมถามว่าเสียงอะไรเขาตอบว่าเสียงสังนั้นชาวบ้านก็จับสังงายพร้อมทั้งพูดว่าสังเอย๋ยจงเปล่งเสียงแต่สังก็ไม่เปล่งเสียงจึงจับคว่ำจับตะแคงยกขึ้นเอาหัวลงเอาฝ่ามือก้อนดินท่อนไม้สัตราเค ดึงเข้ามาผลักออกไปจับพลิกไปมาเพื่อจะให้สั่งนั้นเปล่งเสียงสั่งนั่นก็ไม่เปล่งเสียงคนเป่าสังเห็นว่าคนเหล่านั้นเป็นคนบ้านนอกเป็นคนเขา่าหาเสียงสังโดยไม่แยบคายจึงหยิบสั่งขึ้นมาเป่าสามครั้งให้เห็นแล้วก็หลีกไปคนเหล่านั้นจึงรู้ว่าสั่งนี้ประกอบด้วยคนประกอบด้วยความพยายาม ประกอบด้วยลมจึงเปล่งเสียงได้ถ้าไม่ประกอบด้วยเหตุเหล่านั้นก็เปล่งเสียงไม่ได้กายก็เช่นเดียวกันประกอบด้วยอายุประกอบด้วยไออุ่นประกอบด้วยวิญญาณจึงก้าวเดินถอยหลังยืนนั่งนอนได้เห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรส ถ, ถูกต้องผดผาผารู้ธรรมะคืออารมณ์ที่เกิดกับใจได้ถ้าไม่ประกอบด้วยสิ่งเหล่านั้น ก็ทำอะไรไม่ได้ 9. ตรัสแย้งต่อไปว่าเคยตรัสสั่งให้ลงโทษโจรที่จับได้โดยให้ตัดผิวหนังตัดหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเพื่อจะดูชีวะก็ไม่เห็นชีวะจึงไม่ทรงเชื่อว่าโลกอื่นมีเป็นต้นพระเทระทูลเปรียบเทียบถวายว่า มีชะดินคือนักบวชนอกศาสนาผู้บูชาไฟรูปหนึ่งอยู่ในกุฏิมุงด้วยใบไม้ในป่าพวกเดินทางพักแรมชาวชนบทคนหนึ่งออกเดินทางมาพักแรมคืนรอบอาสมของชะดินผู้บูชาไฟนั้นแล้วจากไปชะดินจึงเดินไปในที่ที่เขาพักแรมด้วยหวังว่าจะได้เครื่องใช้อะไรบ้างในที่นั้นคือที่เขาทิ้งแต่อาจเป็นประโยชน์แก่ชดินผู้อยู่ป่า เมื่อเข้าไปก็เห็นเด็กแดงๆคนหนึ่งเป็นเด็กชายนอนหงายอยู่จึงนํามาเลี้ยงไว้จนเติบโตมีอายุได้10ปีหรือ12ปีต่อมาชดินมีธุระที่จะต้องไปในชนบทจึงเรียกเด็กมาสั่งให้บูชาไฟคือคอยเอาไฟใส่ในกองไฟอย่าให้ดับได้ถ้าไฟดับมีดอยู่นี่ไม้อยู่นี่ไม้สีไฟอยู่นี่จงจุดไฟให้ติด บูชาไฟต่อไปเมื่อสั่งเสร็จและไปแล้วเด็กหมูเล่นเพลินไปไฟก็ดับเด็กคิดถึงคำสั่งจึงเอามีดมาถากไม้สีไฟด้วยหวังจะได้ไฟก็ไม่ได้ไฟจึงพาม้สีไฟออกเป็นสองซีกสามซีกจนถึงยี่สิบซีกทำเป็นชิ้นชิ้นใส่ครกต่าแล้วเอามาโรยที่ลมด้วยหวังว่าจะได้ไฟแต่ก็ไม่ได้ ดินกลับมาเห็นเช่นนั้นถามทราบความแล้วจึงคิดว่าเด็กนี้ยังอ่อนไม่ฉลาดจะหาไฟโดยวิธีที่ไม่ถูกได้อย่างไรจึงเอาไม้สีไฟมาสีให้เด็กดูถึงวิธีทําไฟให้ติดพระองค์ก็เช่นเดียวกันส่งหาโลกอื่นด้วยวิธีที่ไม่ถูกในที่สุดแนะให้พระเจ้าปายาสิ ทรงสละความเห็นผิดนั้นเสียแต่พระเจ้าปายาสิทรงอ้างว่าทรงสละไม่ได้เพราะพระเจ้าเประเสนธิโกศลและพระราชาในรัฐอื่นๆก็ทรงทราบกันทั่วไปว่าพระองค์มีความเห็นอย่างนี้ก็จะพากันติเตียนได้พระกุมารกัสปะเทระจึงยกอุปมาเพื่อจูงใจให้ทรงละความเห็นผิดนั้นๆแต่เมื่อยังไม่ทรงยอม ก็ยกอุปมาอื่นอีกโดยในนี้เป็นอุปมาสี่ข้อดังต่อไปนี้หนึ่งเปรียบเหมือนพ่อค้าเกวียนหมูใหญ่เดินทางจากภาคตะวันออกไปภาคตะวันตกแล้วได้แบ่งกองเกวียนออกเป็นสองกองกองละประมาณห้าร้อยเล่มให้ขบวนหนึ่งล่วงหน้าไปก่อนอีกขบวนหนึ่งจะตามไปภายหลังขบวนที่ล่วงหน้าไปก่อน ถุกคนเดินสวนทางหลอกให้ทิ้งหญ้าทิ้งน้ำเล่าว่าข้างหน้าฝนตกในทางกันดานพุ่มไม้หญ้าไม้และน้ำบริบูรณ์่นหน้ากองเกวียนหลงเชื่อจึงพาพวกไปตายหมดสิน้นเพราะทิ้งหญ้าทิ้งน้ำแล้วก็หาน้ำและหญ้าข้างหน้าไม่ได้พวกไปที่หลังไม่ยอมเชื่อคนหลอกไม่ยอมทิ้งหญ้าทิ้งน้ำจึงเดินทางข้ามทางกันดานโดยสวัสดี แล้วเปรียบว่าพระองค์สแสวงหาโลกอื่นโดยไม่แยบใครจะปล่อยให้คนที่เชื่อถือพากันถึงความพินาศไปด้วยเหมือนนายกองเกวียนคณะแรก 2. เปรียบเหมือนชายเลี้ยงหมูคนหนึ่งไปสู่หมู่บ้านอื่นเห็นคูดแห้งคืออุจจระแห้งที่เขาทิ้งไว้เป็นอันมากก็คลี่ผ้าห่มออกเอาคูดแห้งใส่แล้วห่อทูนเหนือศีรษะมา ในระหว่างทางฝนตกคูดนั้นก็ไหลเลอะเบอะไปคนทั้งหลายจึงพาการติเตียนว่าเป็นบ้าหรือไปแบกห่อคูดมาทำไมเขากลับตอบว่าท่านตังหากเป็นบ้าเพราะของที่แบกมานี่เป็นอาหารของหมูพระองค์ก็เปรียบเหมือนอย่างนั้นขอจงทรงสละความเห็นผิดนั้นเสียเถิด 3. สาม เปรียบเหมือนนักเล่งสกาสองคนเล่นสกากันคนหนึ่งย่อมกลืนลูกโทษที่มาถึงตัวหมายถึงลูกสกาที่จะทําให้แพ้อีกคนหนึ่งบอกว่าท่านชนะเรื่อยข้างเดียวขอลูกสกาให้ข้าพเจ้าทําพิธีบ้างคนชนะจึงส่งให้ไปนักเลงคนที่สองจึงเอายาพิษทาลูกสกาเมื่อเล่นครั้งที่สองนักเลงสกาคนแรก ก็กลืนลูกโทษที่มาถึงนั้นอีกและตายเพราะกลืนยาพิษเข้าไปด้วยพระองค์ก็เปรียบเหมือนนักเล่นสกาที่กลืนยาพิษไปกับลูกสกาด้วยขอจงทรงสละความเห็นผิดนั้นเสียเถิดสำหรับข้อนี้แสดงว่าลูกสกาเป็นแบบลูกเตา๋าในอัถกถาแก้ว่าเล่นได้ลูกสี่เหลี่ยมหรือลูกเต๋าก็มีเล่นด้วยลูกลุบหรือลูกคลีก็มี การกลืนลูกส ก, กาอาจเป็นเคล็ดให้ได้ชัยชนะเรื่อยๆ 4. เปรียบเหมือนชายสองคนชวนกันไปยังชนบทเพื่อหาทรัพย์ไปพบป่านในระหว่างทางก็ห่อป่านเดินทางไปครั้นไปพบได้ที่ทอจากป่านคนหนึ่งเห็นได้มีราคากว่าก็ทิ้งป่านห่อได้ไปอีกคนหนึ่งไม่ยอมทิ้ง ด้วยถือว่าแบกมาไกลแล้วผูกรัดไว้ดีแล้วโดยในนี้ไปพบภาพเหลือกไม้ผ้าฝ้าเหล็กโลหะดีบุกตะกัวเงินทองคนหนึ่งทิ้งของเก่าถือเอาของใหม่ที่มีราคากว่าแต่อีกคนหนึ่งไม่ยอมทิ้งถือว่าแบกมาไกลแล้วผูกรัดไว้ดีแล้วเมื่อกลับไปถึงบ้านบุตรภริยา เพื่อนฝูงของผู้แบกห่อปานก็ไม่ชื่นชมแต่บุตรภริยาเพื่อนฝูงของผู้แบกห่อทองกลับมาต่างชื่นชมพระองค์จะเป็นอย่างผู้แบกห่อปานขอจงสละความเห็นผิดนั่นเสียเถิดพระเจ้าปายาสิส่งเลื่อมใสในพระกุมารกสปะเทระสรรเสริญพาสิทธประกาศพระองค์เป็นอุบาสก ถึงพระรัตนตรัยเป็นสารณะตลอดประชนชีพแล้วทรงถามถึงวิธีบูชายันซึ่งพระเทระก็ถวายคำแนะนำให้บูชาโดยไม่มีการฆ่าสัตว์พระเจ้าปสาสสธิก็ทรงปฏิบัติตามโดยให้มีการแจกทานคือทำงานสังคมสงเคราะห์แล้วเพิ่มของที่ให้ดีขึ้นโดยลำดับ